บุญที่ทำให้เล่นกีฬาเก่งถามคนที่เล่นกีฬาเก่งมากๆเนี่ยทำบุญมาอย่างไรหรอครับเท่าได้อยู่ในแวดวงกีฬามาจเจนบางคนมีพรสวรรค์ติดตัวมาอย่างชัดเจนแต่บางคนก็ต้องฝึกฝนอย่างหนักถึงจะพอเข้าขั้นส่วนบางคนต่อให้ฝึกหนักเอาเป็นเอาตายขนาดไหนอย่างดีที่สุด ก็แค่พอถูถ่ยไปไม่ถึงดวงดาวถ้าหากเป็นเรื่องของบุญวาสนาเก่าก็แปลว่าไม่มีทําบุญได้ทันในชาตินี้ใช่ไหมตอบเมื่อกล่าวว่าใครสักคนเล่นกีฬาเก่งคุณมากมายถึงเขาชนะบ่อยเขาฉลาดในเกมเขาฉลาดในการเคลื่อนไหวตอบโต้รวมทั้งเขามีกำลังมาก พอซอยความเก่งออกเป็นแง่มุมต่างๆข้างต้นก็พอจะบอกถึงบุญเก่าที่อยู่เบื้องหลังตลอดจนมองเห็นลู่ทางสร้างบุญใหม่กันครับหนึ่งชนะบ่อยชัยชนะเป็นเครื่องวัดบารมีที่ชัดที่สุดเห็นง่ายที่สุดว่าใครเก่งกว่าใครหรือใครเก่งที่สุดกรรมเก่าที่ทำให้ชนะบ่อยก็คือเคยเป็นผู้ประกอบบุญด้วยใจใหญ่เกินใคร และเป็นการใจใหญ่ในทางดีนะครับไม่ใช่ประเภทใจกล้า บ, บ้าบินอย่างเปล่าประโยชน์ความเป็นคนมีใจใหญ่ในการบุญมักแสดงออกในรูปของการทำมากกว่าใครและวหวังประโยชน์ใหญ่กับคนหมู่มากซึ่งผลข้างเคียงคือก่อความรู้สึกกระหยิ่มภาคภูมิในบุญของตนหากเขาติดความคิดว่าจะทำบุญให้ยิ่งใหญ่กว่าใคร หรือจะเสียสละให้มากกว่าเพื่อนเจตนานั้นจะพามาเกิดใต้เริอผู้ชนะเขาจะมีนิสัยชอบการแข่งขันติดตัวมาแต่อ้อนแต่ออกอยากเป็นที่หนึ่งและไม่รู้สึกยากที่จะเป็นเพราะเห็นว่าตนมีพลังผู้ชนะล้นหลามมองไปไม่เห็นใครเทียบได้โดยเฉพาะในเกมกีฬาที่ตนรักชอบและมีใจฝักไฝที่สุด เลิอกผู้ชนะยิงซอยแบ่งออกได้เป็นหลายระดับทั้งระดับโรงเรียนระดับจังหวัดระดับประเทศตลอดจนกระทั่งระดับโลกซึ่งระดับโลกเนี่ยหมายถึงการคาดตัวแทนแต่ละชาติมาแล้วแข่งกันก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่ดีนั่นถือเป็นที่สุดของที่สุดคือเก่งที่สุดในโลกรสชาตินั้นคนได้เหรียญทองโอลิมปิกจะรู้ดีว่าหวานชื่นปานใด มองจากจุดสูงสุดนะครับพลังชนะระดับโลกไม่จะเป็นต้องมาจากการทำบุญระดับโลกเสมอไปอาจาเป็นการทำบุญระดับท้องถิ่นแต่มีใจใหญ่ระดับโลกกล่าวคือทำบุญแบบไม่ห่วงชีวิตหรือแบบที่ไม่มีใครในโลกใจถึงเท่าเช่นยอมเสี่ยงชีวิตช่วยคนแปลกหน้าหรือยอมยกทรัพย์สินส่วนตัวให้คนหมู่มากโดยตนเองเหลือไว้ใช้นิดเดียว บุญเก่าอา จ, จไม่ได้ตกแต่งให้ผู้ชนะมีความสามารถสูงส่งระดับเทพเสมอไปดวงคนชนะจะมาในรูปแบบของพลังอะไรอย่างหนึ่งที่กดดันให้คู่แข่งต้านทานไม่ไหวเช่นแข็งแรงพอกันแต่งัดข้อแล้วกดอีกฝ่ายลงทุกทีหรือไม่ก็ดวงดีจัดแม้ทำท่าจวนเจียนจะแพ้แต่ในที่สุดก็กลับพลิกล็อกเป็นชนะจนได้ พวกที่มีพรสวรรค์อันอน่าทึ่งในกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งมาตั้งแต่เด็กเล่นแล้วชนะตลอดชนิดเก็บสถิติกันว่าชนะรวดกี่ปีไม่มีแพ้เลยอย่างเช่นในวงการหมากรุกก็มีอยู่หลายคนประเภทนี้มักเคยคร่ำบอดในวงการกีฬานั้นๆมาก่อนและอุทิศชีวิตให้ทั้งหมดพอได้รางวัลพอมีชื่อเสียงพอมีเงินทองก็เอาไปใช้เดินสายโปรโมตกีฬาที่ตนรักแบบไม่อั้น ปั้นดาวรุ่งรุ่นหลังให้ได้ดีตามตนมากมายไม่ห่วงวิชาไม่มีกรรมมือของอาจารย์ใจคิดอยากให้โลกหันมารู้จักกีฬาที่ตนรักเมื่อเขาสร้างทาประโยชน์เกิดขึ้นอย่างไร้เทียมทานเกิดใหม่ก็ย่อมไร้เทียมทานในทางนั้นตั้งแต่เด็กและเมื่อโตขึ้นก็มีสิทธิ์เป็นแชมป์โลกแบบไม่ต้องใช้ความพยายามมาก อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีพลังผู้ชนะติดตัวมาแต่เกิดก็สร้างเอาภายหลังได้หากฝึกฝนกีฬาจริงจังมีใจมุ่งมั่นเอาความเป็นหนึ่งทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างต่อเนื่องนานพอพลังแห่งวิริยะและทักษะความสามารถที่สั่งสมแรมปีก็อาจแรงพอจะเบียดเริกผู้ชนะของฝ่ายตรงข้ามให้ตกกระป๋องได้เหมือนกันนี่เอง ในเกมกีฬาระดับอาชีพจึงหาคนดวงแข็งเป็นผู้ชนะตลอดการได้ยากยิ่งส่วนใหญ่จะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะขึ้นอยู่กับว่าบุญเก่าหรือวิริยะใหม่ของใครใหญ่กว่ากันในทางกลับกันแม้เกิดใต้เริกผู้ชนะแต่ขาดการฝึกซ้อมประมาชล่าทนงตนหลงลำพอง ปัจจัยลบที่พอกพูนแรงเดือนแรงปีก็ฉุดกระชากพลังแห่งผู้ชนะให้ตกต่ำลงถึงก้นเหวได้เช่นกันครับสองฉลาดในการเคลื่อนไหวตอบโต้หมายถึงการมีไหวพริบและปฏิพานผ่านอุปสรรคเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วนอกจากนั้นยังเหมารวมถึงความมีแล่เหลี่ยมแพรวพรวรู้หลบรู้หลีก รู้วิธีตัดกำลังตลอดจนรู้วิธีเช็คเบนคู่ต่อสู้ได้แบบเนื้อความคาดหมายบ่อยๆเป็นที่สนุกสนานตื่นเต้นสำหรับตนเองและก่อความประทับใจอย่างยิ่งยวดให้แก่คนดูคนส่วนใหญ่จะเรียกคุณสมบัติข้อนี้ว่าเป็นความสดคุณมักเห็นเจ้าหนูมหัศจรรย์ที่โผล่มาให้ใครต่อใครรู้จักลีลาโดดเด่นหน้าตาจริงจัง กลุ่ลิกเจียบคมเพ่งไปข้างหน้าอย่างตั้งอกตั้งใจทุกวินาทีเช่นนักมวยบางคนออกจากมุมมาถึงกลางเวทีก็รัวตุงต้งตุง้งตุ้งไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้หายใจหายค อ, อย่างไม่ทันครบยกก็สบช่องสอยอีกฝ่ายร่วงลงไปกองความสดประดับนี้มักเกิดจากบุญเก่าประเภทคิดก่อนทำก่อนคิดเร็วกว่าใครทำเร็วกว่าใคร แค่ใจอยากทำบุญแบบไหนกายก็พุ่งพรวดไปกว้าเครื่องมือมาทำทันทีหากติดข้อจำกัดอันใดเช่นดึกเดือนเกินการใจก็จดจ่อกระวนกระวายนอนเร่งเวลาให้เช้าโดยเร็วพอเช้าไก่ไม่ทันโห่ก็แทบลุกขึ้นมาโโหก่อนไก่แต่งเนื้อแต่งตัวไปทำบุญตามความตั้งใจไม่รีรอหมายเหตุไว้หน่อย การคิดเร็วทำเร็วไม่ใช่คิดลวกๆทำลวกๆนะครับต้องเร็วด้วยถูกต้องบริบูรณ์ด้วยความรอบครอบด้วยจึงจะให้ผลเป็นความคมที่สัมผัสได้กล่าวคือพอถึงเวลาที่บุญให้ผลนอกจากจะมีใจชอบความเร็วแล้วเขายังมีสมาธิมีหูตากว้างขวางในแบบที่รู้เห็นครอบทั่วภายในเวลาอันสั้นตอบสนองสิ่งเราได้แม่นยำและทันใจ เรียกว่ากายกับใจถูกบุญออกแบบมาเพื่อความเป็นเจ้าแห่งสายฟ้าเมื่อผ่าแล้วไม่พลาดเป้าอันที่จริงไม่จำเป็นต้องรอผลข้ามชาติคุณลองดูก็ได้นะครับเห็นว่าอะไรจะเป็นประโยชน์กับใครให้เข้าเดืนนั้นเลยหรือถ้าให้เดือนนั้นไม่ได้ก็เอาแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เรื่องใดดีอยากชักช้าอย่าลังเลคิดมาก ทำเลยเอาให้สำเร็จเลยด้วยวิธีทำบุญเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอภายในปีเดียวหลักฐานของบุญจะปรากฏชัดคือคุณจะพบว่าร่างกายเกิดพลังแห่งความกระตือรือร้นกับทั้งมีประสาทสัมผัสโต้ตอบที่ว่องไวขึ้นผิดหูผิดตาส่วนบุญใหม่เช่นรู้จักเทคนิควิธีฝึกซ้อม ดัดแปลงท่าทางให้ตอบสนองสัญชาตญาณอย่างฉับพลันทันด่วนก็มีส่วนพัฒนาความเก่งด้านนี้เทียบเท่าบุญเก่าปันเกิดจากการคิดเร็วทำเร็วได้เหมือนกันเพียงแต่คุณจะพบความจริงที่ว่าการฝึกความเร็วและการเพิ่มไหวพริบปฏิภาว น, นั้นร้อยคนจะมีแค่สองสามคนที่เจ๋งจริงนอกนั้นฝึกกันหน้าดําครืําเครียดขนาดไหน ก็ไวเกินระดับเฉลี่ยมาไม่เท่าไรที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะขาดบุญประเภทคิดเร็วทำเร็วสนับสนุนนั่นเอง 3. ฉลาดในเกมหมายถึงการมีความเข้าใจสามารถอ่านเกมได้ทะลุปรุโปรงอูตากว้างขวางในแบบที่เห็นลู้ทางพลิกแพลงได้มาก รอบรู้เรื่องจังหวะอุลเม็ดวิธีรุกและลูกไม้วิธีถอยรู้ว่าจะวางแผนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการรู้ว่าเล่นอย่างไรให้ตัวเองได้เปรียบคนส่วนใหญ่จะเรียกความเหนือชั้นข้อนี้ว่าเป็นความเก่าการมีใจรักฝักใฝ่สั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการเล่นจะมีบทบาทสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดพูดง่ายๆว่า ความฉลาดในเกมมากเกิดจากบุญใหม่แต่อย่างไรก็ต้องอาศัยบุญเก่าประเภททำให้เกิดปัญญามากมาอุดหนุนบุญเก่าที่ทำให้เกิดปัญญามากคือเป็นผู้ที่รู้จักว่ากรรมใดเป็นประโยชน์กรรมใดเป็นโทษยากยะได้ว่าทำสิ่งใดแล้วจิตสว่างทำสิ่งใดแล้วจิตมืดตลอดจนกระทั่งทราบวิธีแก้ปัญหาทราบวิธีถอนจิตออกจากทุกข์ ไม่ยอมจมปลักอยู่กับทุกข์โดยปราศจากการพยายามหาทางออกบุญดังกล่าวส่งผลถึงความฉลาดแบบโลกโลกคือมีสัญชาตญาณรู้ได้เร็วว่าทางเลือกใดนำไปสู่ชัยชนะทางเลือกใดนำไปสู่ความพ่ายแพ้พบอุปสรรคแล้วรู้จักแก้เกมไม่ยอมถอดใจให้กับปัญหาง่ายๆเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทายความสามารถ ไม่เฉื่อยชาไม่หลบหนีปัญหาผู้มีความฉลาดในเกมไม่จำเป็นต้องชนะบ่อยแต่สามารถเป็นนักกีฬาที่ได้รับการยอมรับนับถือบุคลิกดูหนักแน่นหน้าเลื่อมใสแสดงน้าใจนักกีฬาได้น่าประทับใจมีความเป็นธรรมสูงแล้วก็เป็นผู้นำได้ขณะที่สามารถเป็นพลังความเชื่อมั่นให้กับทีมสุดท้ายพอแก่ตัว จึงมักเป็นโค้ดเป็นครูฝึกที่ทำชื่อเสียงให้กับทีมซึ่งเป็นเด็กรุ่นหลัง 4. มีกำลังมากหมายถึงมีกำลังวังชาที่จะเล่นกีฬาได้นานมีความกระตือรือร้นและสมาธิจดจอบกับเกมได้ต่อเนื่องโดยไม่ห่อเหี่ยวกลางคันนักกีฬาทุกประเภทย่อมทราบดีว่าคุณสมบัติข้อนี้ มีความสำคัญขนาดไหนโดยเฉพาะเมื่อต้องเล่นเกมยาวกับคู่ต่อสู้ระดับไล่เลี่ยกันความอึดทนมักเป็นตัวชี้ขาดเมื่อการแข่งขันดำเนินไปนานๆต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าแข่งได้เพียงครึ่งเวลาแล้วจอดก็ไม่มีทางสอยตำแหน่งแชมป์มาครองสำเร็จบุญเก่าที่ทำให้เป็นผู้มีกำลังมากคือการบริจาคแรงงานเป็นทาน เห็นใครลำบากเห็นใครเกิดอุบัติเหตุก็ทุ่มแรงกายลงไปเต็มที่ชนิดไม่กลัวเหนื่อยไม่เกรงว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนขอให้ช่วยสำเร็จเถิดด้วยความคิดแบบนี้เมื่อต้องทากิจของตนหรืออยู่ในลูกแข่งของตนจึงมีพลังพอจะบากบั่นไปเรื่อยจนกว่าจะถึงเส้นชัยเช่นกันสำหรับบุญใหม่ที่ทาให้มีกาลังมาก ก็เห็นจะได้แก่การออกกำลังอย่างสม่าเสมอการรู้จักประมาณในการออกแรงคือรู้ว่าขยับขยื่นอย่างไรจะเกรงน้อยที่สุดเสียกำลังน้อยที่สุดแต่ได้ความหนักแน่นกระชับสูงสุดเบาตัวปราดเปรียวสูงสุดนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการพักผ่อนการกินอาหารและการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีพร้อมถ้าทุกอย่างลงตัว ก็ช่วยเรื่องความมีน้ำอดน้ำทนได้มากเช่นกันนอกจากนั้นความปลอดโปร่งใจก็มีส่วนช่วยยืดอายุพลังงานไม่ให้หมดเร็วหากเป็นคนรู้จักตัดใจทั้งจากความกังวลความคาดหวังและความโลภจะเอาชนะท่าเดียวใจจะสบายไม่เคร่งเครียดแล้วก็อยู่ในเกมได้ยังมีความสุข และมีอาการตรองอยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายคิดแค่ว่าขณะนั้นๆจะเคลื่อนไหวอย่างไรจึงดีที่สุดสอดคล้องกับสถานการณ์ที่สุดนั่นแหละความเพลิดเพลินจึงเกิดและความเพลิดเพลินนั่นเองเป็นตัวหล่อเลี้ยงพลังงานอย่างสาคัญ